มาคนหนึ่งตอนเย็นๆนี่กลับไปแล้วอยังอยู่เพลงไทยนี่ฟังไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปฟังเพลงเกาหลีพูดยังไม่ได้สักคำไปฟังเพลงก่อนแล้วไปเต้นแบบเกาหลีแล้วแม่พูดอีนหน้าเป็นบกเหนกเลยเรียนหนังสือปอ .3 ป .4 ถ้าไก่มันไปขันตั้งแต่อยู่ในไข่มีแต่เข้าไปต้มเขาได้รู้จักว่าไข่มันอยู่ตรงไหนมันขันแล้วนี่โอ้ยหาง่ายหาไก่ที่มันขันตั้งแต่ในไข่คอยฟังเสียงมันเอาแล้วไปเอาไปต้มเลยตัวมันยังหายากมันเดินได้ถ้าไข่มันขันแล้วนี่โอ้ยง่ายเรียนพอหนึ่งพอสองนี่ยังพอใช้ได้ พอมาขึ้นพอสามพอสี่แหละแต่ใช่ไม่เริ่มใช่ไม่ได้เรียนตกลงตกลงเด็กมันแย่คนทุกวันนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันน่าสงสารพ่อแม่หน้าหิว้วคิ้วขมมดโอ้ยหาเงินหาทองมาให้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ลูกเต้าเรากอทะลุกัน การศึกษาเราเรียนก็นใช้ไม่ได้ไม่รู้จะไปทำอะไรจะไปดำนาได้เลยจะไปทำกเกษตรกรรมได้เลยเดยวก็คิดตมติดเล็บอีกมันน่ากลัวสังคมปัจจุบันพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ดูแลลูก ลูกก็ไปอยู่กับเพื่อนหมดเลยมหันตะทุกเอาเจ้าปัญญามันกลับไปเลยหรือเจ้าปัญญาห่วยนับครบหรือยังดูมือตัวเองไม่ชีบเครบหรื อ, ร ย, อยังได้กี่นิ้ว ในกี่ข้อนั่นไปคุยอย่างอื่นแล้วคุยน้ำไหลไฟดับจะพอนับข้อมือตัวเองนี่ยังไม่้นับไม่ครบเลยว่า ม, มีกี่ข้อคุยอย่างอื่นคือได้จะไปคุยไปถึงขอบฝั่งทะเลหลวงที่ไหนก็คุยได้ หลอกคนอื่นเนี่ยหลอกได้แต่หลอกตัวเองมันหลอกไม่ได้โกหกคนอื่นนี่โกหกได้ทั้งวันทั้งคืนแต่โกหกตัวเองน่ยมันโกหกไม่ได้สินห้าจะไปคิดทําผิดสินห้าได้แล้วไปคุยโกหก พกลมชาวบ้านก็แล้วได้แล้วหรอไม่ต้องไปคุยเรื่องการทำสมาธิภาวนา จ, จะเอาน้ำไหลไฟดับขนาดไหนก็ได้ทำไมละอายเมื่อศีลมันไม่บริสุทธิ์สมาธิมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ปัญญาเกิดขึ้นมาไม่ได้เอาศีนห้าเข้าไปวัดดูก็รู้แล้วว่ามันผิดหรือมันถูกมันพูดในเรื่องที่มันมีในตนไหม ถ้าไปพูดในเรื่องที่มันไม่มีในตนเน่ยมันเป็นกวาโกหกนะเพียงแต่คิดเอาเฉยๆใครก็คิดได้อยากจะไปรูปพระจันทร์อยากไปรูปพระอาทิตย์อยากไปเล่นเที่ยวพระจันทร์นี่เดี๋ยวไอ้พระจันทร์มันจะบังพระอาทิตย์นี่เดี๋ยวก็ขึ้นไปเยี่ยมมันพระอาทิตย์มันจะหายไปตั้งหกนาที มันที่ยีิบสองนี่ตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสิบเอ็ดโมงแต่ประเทศไทยตอนล่างนี้จะเห็นได้บางส่วนตอนเหนือจะเห็นได้เยอะหน่อยตอนทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือของประเทศขึ้นไปทางด้านนู้น เกิดสุริยาปาคาเต็มดวงมาเกิดเดือนกรกฎานี้อดดูเลยละมะั้งเราพราะดูท่าทางมันจะไม่ได้ดูโอ้วันนั้นเนี้ยมันวันก่อนนั้นมันเกิดตอนบ่ายเราเอาเวลาดูง่ายๆไม่ได้ยากเลยดูสุริยาปาคา เจาะรูกระดาษเจาะรูอะไรก็ได้ผ้าอะไรก็ได้เอาไปกั้นใส่กับแดดมันจะเห็นรอยแหว่งธรรมดารูนี่มันจะกลมรูพระอาทิตย์นี่มันจะกลมถ้าเราเจาะเข้าไปเจาะรูสเท่าพวมือนี่ก็ได้ธรรมดาแสงอาทิตย์นี่มันจะกลมไอตอนนั้นเราทําอะไรนั้นอยู่ตรงนั้นหรืมั้งทาลูกกงหรือทําอะไรเราไปเจาะกระดาษดยไอเจาะผ้าดู เราดูด้วยตาเปล่าได้ถ้าเรามีวิธีการดูสุริยปาคาเอาตะปูตีสังสีก็ได้ขนาดรู้ตะปูตีสังสีนั่นก็ไปสังสีไปวางทุกขก็เห็นเลยมันแหว่งมากแหว่งน้อยดูสุริยปาคาคนต้องไปเพ่งดวงอาทิตย์ตาบอดนะจะดูไม่เป็น ตั้งฉากไว้เลยตั้งฉากขึ้นมาอย่างนี้มันจะระหว่างช่วงสิบโมงตั้งแต่หกโมงถึงสิบเอ็ดโมงแล้วเราก็เจาะก็ดูดูที่มันส่องลงมาที่กระ่านเอาผ้าปูก็ได้ผ้าดำปูก็มองเห็นได้แล้วดูสุริยปราคา เหมือนกับดูจันทรุปราคาถ้าจันทรุ ป, ปาคาเราดูด้วยตาได้ถ้าเราจะดูเต็มไปดูที่ดวงมันก็เอาไอ้หน้ากากไอ้ออกดูเราจะดูที่ดวงมันเลยเอาหน้ากากอ็ อ, อกมันดูได้แต่ถ้าแว่นดําธรรมดาดูไม่ได้นะตาบอดเลยวิธีดูสุริยปาคา วันที่18สิงหา2410มันเกิดสุริยปาคาดเต็มดวงที่ตำบลว่ากอมาปี2438วันที่24ตุลาเกิดทางภาคเหนือเต็มดวง แต่มันแค่สามนาทีแต่ที่ตำบลว่ากอมันห้านาทีมาเที่ยวนี้หกนาทีมันจะเข้ามิดดวงหกนาทีก็ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกโอ้แต่มาว่ามันอยู่เป็นนลนทิศ อย่างพระจันทร์อย่างนี้ก็เหมือนกันเขาว่าเดือนเพนนิน้าขึ้นมันไม่ใช่แล้วเราไม่ค่อยยักเชื่อเท่าไหร่มันอยู่กันคนละทิศอยู่กันห่างกันตั้งเป็นพันพันมมเป็นล้านล้านเกิดขึ้นคราวนี้ในคราวที่โคจรพระอาทิตย์ พระจันทร์โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ในช่วงวงแหวนโลกห่างออกจากพระอาทิตย์มากที่สุดช่วงตัวรีพระจันทร์ก็เลยตัดเข้ามาตรงกลาง พกที่ไม่เคยมาพึมาจากรังสิตเคยมากันหมดทุกคนไหมหรือไม่เคยมาพึมาครั้งแรกไม่ไอพวกที่มาด้วยพึ่มาครั้งแรกมีใครบ้างเคยมาครั้งแรกโอ้จึงเยอะนีม่มาครั้งแรก มาครั้งแรกกิจกรรมอยู่ที่นี่ก็มีตอนก็มาใหม่ก็ตอนสักหกโมงกว่าหกโมงครึ่งเจ็ดโมงก่อนทาวัดเย็นจะมาขอสินกันบนสลาพวกที่มาอยู่วัดมารักษาสินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งรักษาสินแปดไม่ทานอาหารในมือเย็น ไม่นอนในที่นอนอันนุ่มไม่ประดับประดาร่างกายด้วยการทาแป้งแต่งตัวเพื่ออวดหญิงอวดชายในโลกแล้วก็สินข้อที่หนึ่งก็คือปาณาติบาตข้อปาณาติบาตเรามาอยู่อย่างนี้เราได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไร พานาอาทิ น, นาขมโมยข้าวของกาเมชุมิชาจาย์ข้อกาเมชุมิชาจาย์ก็คือการแต่งการแต่งงานมีลูกเต่าเรลากอเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ไปแอบเอากันตามเสาไฟฟ้าตามโรงแรมม่านลูด ไปแอบเอาสามีคนอื่นบุตรตีบุตรตาคนอื่นโดยที่เขามีเจ้าของอยู่ข้อการเมชุมิชาจาย์เนี่ยมันทำให้โลกแตกทุกวันนี้เป็นปัญหากันเยอะแยะขาราชการพอมีเงินมีทองบ้างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้างไอผู้หญิงมันก็เปีย เ, เข้าไปเลยเพราะว่ามันอยากได้ตาแหน่งอยากได้หน้าที่การงาน ลูกแข้งเลื้ยแข้งเลื้ยขาเข้าไปเดี๋ยวก็ไปซื้อบ้านจัดสรรจัดเสรินให้ธุรกิจบ้านจัดสรรเขาก็เลยดีทุกวันนี้ไปซื้อบ้านให้อยู่เป็นพิเศษหารถหาราให้ขี่สุดท้ายมาก็ไปเป็นเมียสำรองมันไม่อายหน้าด้านพวกนี้ สามีคนอื่นเขาที่มีตัวมีตนตัวเองไปแย่งเอาของเขามาถ้าหากเรามีเป็นตัวเป็นตนแล้วเราไปแย่งเอาของคนอื่นมาแล้วจะเป็นยังไงคนอื่นเขาจะดีใจหรือเสียใจแล้วถ้ า, าเขามาแย่งเอาของเราไปนั่นข้อการเมษุมิชาจารนี้ทั้งนั้นทําให้บ้านเมืองมันชิบหายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าข้อนี้ทั้งนั้น เงินทองไม่พอใช้บัานนี้ก็ไปบีบบังคับไม่เอาไอ้ซ่อราชบังหลวงมาได้มาจากทางไหนก็เอามันทางนั้นพุจริตทำอะไรต่ออะไรคอรับเชินรับฉชิอะไรต่ออะไรก็เกิดขึ้นจากข้อการมีสุมิชาจาันไอ้คนนี้ก็สาวตะบดตบพึดขอให้มันได้มา ภายหลังมาเรื่องแตกอะไรตำรวจยังถูกยิงตายเลยรองผู้กงกับที่สถานีท้องหลอมเมีอยอยู่ที่บ้านได้ข่าวว่าสามีมีปัญหามีผู้หญิงอื่นครับเอาปืนขึ้นไปสัดบนกบนสถานีตำรวจเลย มีประโยชน์อะไรการฆ่าคนตายไม่มีประโยชน์อะไรแต่ทำไมไม่พากันรักษาศีลรักษาธรรมในไอของที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองพวกสุกก่อนหามไก่ขันนันจะอยู่ในไข่มีแต่เขาไปต้มอย่างเด็กๆทุกวันนี้ดูสิปสามปสี่ไปดูข่าวสังคม งานวิจัยของมหาวิทยาลัยจุฬาคืนหนึ่งพากันออกไปเต้นแรงเต้นกาข้าราชกันตั้งแต่4ี่แปดลงมานักเรียนตั้งแต่ปสองปสามขึ้นไปพากันออกไปอยู่ตามโรงหนังโรงละครโรงอบายมุขึ้นและสองแสนกว่าคนใช้ภาษาสามภาษา ภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาสี่ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปริญญาโทรปริญญาเอกลงมามก็หมดเท่านั้คนไปกำเริบในสิ่งที่ไม่กำเริบกำเริบในกิเลสตัณหาราคะโลภโทสะโมหามันก็เสร็จมันจะไปเหลืออะไรมันจะคิดปลูกบ้านปลูกเมือง ทำมาหากินที่สุดจริตไดนะ้ไปกำเริบในสิ่งที่ไม่ควรกำเริบมันเกิดขึ้นจากอาหารการกินบ้างเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมบ้างแต่จริงๆแล้วอาหารการกินมันก็มันผิดมาตั้งเดิมกา ร, กรเกษตรไม่ได้กเกษตรเพื่อบริโภคกลายเป็นกเกษตรธุรกิจ มันกเ็เสร็จอัดปุ๋ยเข้าไปอัดสารเคมีเข้าไปเจ้าของมันก็ไม่กินมันจะไปสนใจทําไมมันทําเพื่อการค้าการขายเท่านั้นเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ก็เหมือนกันหมดกเกษตรเพื่อธุรกิจไม่ใช่กเกษตรเพื่อบริโภคเหมือนก็สมัยโบราณสารตกค้างต่างๆมันก็เยอะมันก็กระตุน้น ให้กาเริบในราคะโลภโทสะโมหะนั่นเสร็จเด็กอายุสองไอ้สิบไอ้เจ็ดปีแปดปีคิดอยากมีครอบมีครัวอายุยังไม่ถึงสิบปีคลอดลูกนั่นมันก็เสร็จบ้านเมืองจะไปทำอะไรมันจะไปคิด ทำการทำงานจะคิดสร้างบ้านแปลงเมืองได้ไปกำเริบเถืบสารในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องฉนันคนมันควรมีความละอายคนมันควรมีความเกงกลัวต่อบาปกรรมต่างๆเอาสินห้าเข้าไปเทียบเคียงดูสิปานาอทินนากาเมมุสาสุลา การที่จะมาทาข้อกาเมชุมิชาจารย์ก็เกิดขึ้นมาจากข้อมุส า, าเจ้าผู้ชายก็บ่ายังไม่มีลูกมีเมีย เ, เจ้าผู้หญิงก็ว่ายังไม่มีผัวไม่มีสามีไปซัดกันแหละก็เกิดขึ้นจากข้อมุสาวาข้ออปิสุนาวาจาสุดท้ายมาพอเรื่องแดงเงินขึ้นมาแล้วบ้านนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่อายหมาเลย ก็ดูอยู่ที่ไหนไปคอดลูกตอนร้องเพลงชาติไปแท้งลูกตอนร้องเพลงชาติคนคิดฆ่าคนมันมันจะคิดปลูกบ้านสร้างเมืองไหมหนั่นคนถ้ามันมีความละอายมันจะอยู่ยังไงมันมันจะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขได้ยังไง ไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมของตัวเองไม่คิดถึงว่าพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราไปทาผิดศีลผิดธรรมมาแล้วมันก็เลยไม่คำนึงถึงตรงนั้นพ่อแม่ครับไม่รู้พูดไม่ออกบอกว่าอยากจะมุดดินหนีมก็หนีไม่ได้อีก เอาปีกครอบหัวไว้มันก็รู้สึกยังไงอยู่มันเป็นกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองพวกนักเรียนพวกนักศึกษาพวกมหาวิทยาลัยวิทยาเลยงานของคณะสังคมของมหาวิทยาลัยจุฬาเขาว่าไงมหาวิทยาลัยมหิดลนี่มากที่สุด มาอันดับหนึ่งคนที่ไปทำผิดศีลผิดธรรมนั่นคนเรียนเก่งแต่เวลามันไปทำผิดศีลผิดธรรมมันก็เก่งในการโกหกเหมือนกันถ้าเอาความเก่งไปใช้ในทางที่ไม่ดีพวกเรียนกฎหมายกฎเหมยพวกเรียนเก่งๆทั้งนั้นติดคุกกันเยอะแยะ คนเรียนไม่เก่งคนไม่ได้มีการศึกษาเราเรียนเหมืองพวกตาสีตาสาตามาตาไล่อยู่ตามป่าตามดอยเขาไม่รู้จักด้วยเขามาผิดกฎหมายเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงไม่รู้จักเลยแต่เขาไม่ทําผิดประเพณีเขารักษาธรรมเนียมรักษาประเพณีปฏิบัติพ่อแม่ปู่ยา่าตายายเขารู้จักคําว่าละอาย มาปัจจุบันนี้มันไม่ได้รู้จักคำว่าละอายก็ไปจับแก้ผ้าเต้นอยู่ตามคาราโอเกะก็เอาพนหน้ามันด่างวันนี้ถ้ารูปภาพต่างๆมันออกไปหาพ่อหาแม่เห็นนะบ้านี้พ่อแม่จะรู้สึกยังไงแล้วต้องคิดดู ฉะนั้นการที่จะเข้ามาประพฤติสินธรรมนี่ต้องจัดการสิ่งพวกนี้ให้มันเรียบร้อยเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นนิวรธาธรรมนิวรธาธรรมนี้เป็นการปิดกั้นความดีน่นจะทาความดีอย่างแสนสาหัสขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากมีตัวนิวรธาธรรมเป็นตัวปิดกั้นอยู่ก็เหมือนกับเป็นเขื่อนหรือเป็นภูเขากั้นอยู่ หรือเป็นเขื่อนกั้นอยู่น้ำอีกฝั่งหนึ่งมันจะไปหาอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้น้ำมันจะใสสะอาดดีขนาดไหนก็ตามน้ำหน้าเขื่อนแต่ท้ายเขื่อนมันไม่มีน้ำแห้งแล้งนั่นคือความดีมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ดการที่เราจะทำความดีมันเกิดขึ้นมาได้ต้องทำลายตัวนิวรธรรม กามฉันทะพยาบาทธีนมิทะอุทะ จ, ก จ, กจกักุกุจจาวิกิจฉานี่คือตัวนิวรธรรมกามฉันทะนี่ต้องทำลายด้วยอสุภะกรรมฐานพยาบาทต้องทำลายด้วยเมตตาเจโตวิมุต ธ, ธีนมิทะคือความเง่วงเงาเหานอนทำลายด้วยการเริ่มต้นก็ดูที่พวกเราเริ่มต้นมาเข้ามาวัดมาว่า มาประพฤติปฏิบัติเราไม่ภูมิใจกับตัวของเราเลยที่เราชีกออกมาจากโลกสมมุติทั้งหลายเมื่อเราลำลึกอย่างนี้แล้วความเงื่องงาเข้านอนมันก็หายไปหมดมีแต่ความปีติยินดีนะ่ะยินดีในทาคำสั่งสอนของผู้เจ้าว่าทุกมีจริงสุขมีจริงทุกในโลกนี้ก็มีจริงทุกในโลกหน้าก็มีจริง สุขในโลกนี้ก็มีจริงสุขในโลกหน้าก็มีจริงความฟุ้งซ่านของจิตเรียกว่าอุทธะกุตจะทำลายด้วยความสงบระงับหยุดนิ่งไม่ขยับเขยื่อนทางอาการของจิตแม้แต่อาการของกายเราก็ไม่ขยุดไม่ขยับเขยื่อนนั่งสมาธิภาวนา ให้จิตใจของเรามันสงบให้ได้มาทำลายด้วยความสงบความฟุ้งร่านของจิตวิกิกิจฉาคือความไม่รู้สงสัยลังเลสนเททำลายด้วยความรู้ขึ้นมาเรามีความรู้ขึ้นมามาศึกษาธรรมะคมสั่งสอนของผู้เจ้าเกิดความรู้ขึ้นมา นี่แหละสิ่งปิดกัน้นจิตใจที่ไม่ให้ทาความดีได้แต่ยังมีสิ่งพวกนี้อยู่จะทําความภาก ค, ความเพียรอย่างแสนสาหัสันาดไหนก็ตามอดข้าวอดน้าจะพูดไปถึงไหนถึงไหนก็ตามพูดได้ไปถึงขอบฟังทะเลหลวงที่ไหนก็พูดได้เรื่องสมาธิภาวนาเรื่องอาการของกายอาการของจิต วิธีของจิตเป็นยังไงเราพูดได้หมดแต่ตัวนิวรธรรมนี่เราทำลายได้แล้วหรือยังตามแนวทางคำสอนของผู้เจ้าหรือครูบาอาจารย์ทำกันสืบมาแต่ยังทำลายไม่ได้เป็นยังไงมันมันมีอะไรมันก็มีแต่ไฟคือความร้อนมันเผาหัวใจของเราน่ะ เผาด้วยลาคะเผาโดยโลภะเผาโดยโทสะเรียกว่าลาคกินาโทสากินาโมหกินาคือความหลงต้นเหตุของความหลงมันเกิดขึ้นมาอยู่ที่นี่ฉนันเราก็ต้องมาทําลายที่ตรงนี้ลงไปแต่เราทาลายนิวรธรรมนี้ลงไปได้แล้วโอ้โหไม่เคยเห็นความสุขในโลกมนุษย์เลย ดิ้นลนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนนี่ก็เพราะว่าตัวนิวรธรรมนีนะ่มันชักนำเป็นกิเลสตัวนี้เป็นแค่กิเลสส่วนห ย, ยาบๆที่ชักนำให้เราตกนรกหมกไหมถูกไฟของราคะโลภมันเผาอยู่ตลอดวันตลอดคืน การพวกเราที่เข้ามาปฏิบัติพยายามเฝ้าสังเกตดูอาการของกิจมันถูกอะไรเป็นตัวชักนำอยู่เดี๋ยวนี้ถูกปัญญาอันชอบหรือถูกกิเลสมันดึงลงไปสู่ไฟต่ํานะถ้าเราทำลายอย่างคำสอนของผู้เจ้าหรือว่าไงว่าดูสิเอาอาสุภักกรรมฐานมาดู เราจะดูกระดูกหรือเราจะดูล่างกายทะลกหนังออกดูสิทะลกหนังหน้าของคนออกดูทั้งข้างนอกและข้างในหน้าเราก็ไม่มีหนังมีแต่เลือดมันไหลออกมาทุกที่ทุกทางเราอยากจะไปมองใครเรามองเห็นคนภายนอกก็มีแต่เลือดไม่มีหนังหนังนี่ก็คือถุงผ้าอันหนึ่งที่เราเอาของดีบ้างของชั่วบ้างยัดใส่เข้าไปในถุงนั้น แต่พอถุงมันขาดดี่บัานี่มันก็ทะลักออกมาทั้งหมดของที่เราใส่เข้าไปในถุงหนังก็คือถุงคือกระเป๋าถ้ากระเป๋ามันขาดของทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าเรานั้นมันก็ทะลักออกมานั่นแต่ว่าคนบันนี้มันจะไม่แตกต่าง ก, กันกับกระเป๋าน้ำบัานี้ คนนี่มันก็มีแมงวีแมงวันนะ่ะบินตามมีแต่น้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาทุกทิศทุกทางนั่นมแมงวันเข้ามาขี่ใส่ระบานี้บางตัวขี่จะจุดเป็นหนอนวิ่งไปเลยมันบ้อนกินไปกินมาก็หมดร่างกายของคนเหลือแต่กระดูกสัตว์ใหญ่ก็มาแย่งกินบ้างบ้านี้ไม่ว่าจะหนอนเลยหมาหมูหมาเป็ดไก่ก็มาแย่งกินร่างกายของคน คนก็เป็นอาหารสัตว์ได้เหมือนกันเหมือนกับสัตว์เหมือนกับคนกินสัตว์ได้ทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดมันก็มากินคนได้เหมือนกันถ้าตายแล้วนั่นมันจะมีอะไรนี่ที่ว่าอาสุภะกรรมฐานถ้าอาสุภะมันประจักษ์อยู่กับใจของเราอย่างนี้แนหะมันจะไปกาเริบเสิบสารไปที่ไหนวะนี่ มันจะมีตัวสักการะทิ่ทิวิกิกิษชาสิรพัตนประมาทไหมมันจะมีการ ม, ม า, ราลัะคือไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธไหมมันก็ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีเกลียดไม่มีโกรธเป็นสัตว์โลกเหมือนกันที่เกิดขึ้นมาท่องเที่ยวในวัฏฏะนี่เหมือนกันจะต้องตายไปเหมือนกันเราเอาความตายมาพิจารณาดูที่บัตรมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวสิ่งที่เราผ่านมาตั้งหมดนี่เรามีอะไรบ้างที่จะเป็นสเสบียงอาหารของเราเดินทางไปในอนาคตข้างหน้าเราพร้อมหรือยังสเสบียงอาหารที่เราจะเดินทางไปนอนาคตข้างหน้าเหมือนกับน้ํามันรถเราเติมมากเติมน้อยเดินไม่มีน้ํามันรถไม่มีน้ํามันลองไปสตาร์ทดูสินติดไหมรถมันไปได้ด้วยหลายอย่างนะคนขับไม่ดีก็ไปไม่ได้ เกียร์ไม่ดีก็ไปไม่ได้ยางไม่มีลมก็ไปไม่ได้ไปได้อยู่แต่มันบดยางไปทิ้งไปเลยนะน่ะน้ํามันไม่มีก็ลองดูที่บ้านนี้มีรถอยู่แต่ไม่มีน้ํามันนะน่ะฉันการที่เราจะเดินทางในพบน้อยพบใหญ่ต่างๆถ้าเราต้องไม่เตรียมสเสบียงอาหารของเรา คือบุญคือกุศลอย่างที่พวกเรามาเตรียมกันอยู่ทุกวันนี้นี่มันไปไม่ได้เราอยากจะไปสวรรค์อยากไปพรมโลกอยากไปนิพพานมิจะอยากเฉยแต่มันไปไม่ได้เพราะเหตุที่ว่ามันไม่ได้เตรียมสเสบียงอาหารสำหรับที่จะเดินทางไปตรงนั้นเหมือนกับพวกเราหันหน้ารถกลับมาที่นี่เรามาถูกทางเ้าเนี่ยมันไม่หนีไปที่ไหน นั้นสเสบียงอาหารที่เราจะเตรียมไปในพบข้างหน้าก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยถ้าหากเรามีการเตรียมการที่ดีในชีวิตที่เรายังมีอยู่ชีวิตที่เรายังมีลมหายใจอยู่มีโอกาสที่จะได้เตรียมการเตรียมงานได้เรื่องการทำงานทำการข้างนอกก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องงานภายในกิจของเรานี่พอเป็นตัวเจ้าจอมท่องเที่ยว เราท่องเที่ยวได้มากได้น้อยแค่ไหนบน้านี้เราเตรียมสเสบียงอาหารของเราไปมากไปน้อยแค่ไหนเราต้องเตรียมนะถ้ า, าเราไม่เตรียมก็เหมือนกับคนอดคนอยากอยู่อย่างทุกวันนี้พวกขอทานขอเตือนเหมือนเต็มบ้า น, นเต็มเมืองคนไม่มีการไม่มีงานเหมือนเต็มบ้า น, นเต็มเมืองเมื่อวานนี้มีคนมาจากเมกาเขาจะกลับกับวันพรุ่งนี้หรือกับวันนี้กับพรุ่นนนะ glaube, งนี้ เขาเป็นคนทำงานเป็นคนทำงานสำหรับที่จะทำเช็คให้กับคนงานทั่วโลกมีคนตกงานแล้วกว่าสิบล้านคนในอเมริกาวันนี้ก็มีคนขอเช็คตามรัฐบาลกลางเลี้ยง ไม่มีเงินที่จะให้รัฐ บ, บาลกลางก็ไม่มีเงินสงสัยจะต้องสั่งพิมพ์พันธบัตรถ้าพิมพ์ดอลลาร์ออกมาก็ดอลลาร์ก็จะตกเป็นกระดาษเช็หชูถ้าใครถือคลองเงินดอนลลาร์ก็อ้วกกินเป็นประเทศใหญ่ที่สุดที่ถือเงินของดอลลาร์ จะพิคิดเป็นเงินบาทแล้วนี่จีนคือครองอยู่จะประมาณร้อยปีของงบประมาณประเทศไทยมันก็คุยกันอยู่เมื่อวานนั่นดูที่หนึ่งประเทศยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจแต่ตัวเองตอนนี้เริ่มไม่มีเงินจะจ่าย ออกเงินล่วงหน้าออกพันธบัตรล่วงหน้ากับแบบเดียวกับประเทศไทยออกพันธบัตรนี่คือการเอาเงินล่วงหน้ามาใช้นาทบานต่อไปอีกสิบปียี่สิบปีก็นี่ค่าคัวเรือนหนี้ส่วนตัวก็เพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวนี้เป็นเท่าไหร่นี่สาธารณะเป็นคนละแสนเกือบสองแสนนั่นไม่ใช่ เราจะต้องหาเงินใช้หนี้ช่วยรัฐบาลอัดยาอะไรหรือฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาะการเตรียมตัวก็เหมือนกันเตรียมตัวสำหรับที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปในวัด ต, ตะถ้าคนไม่เตรียมสเสบียงอาหารไปก็อดอยากพระสัต์ไอ้นั่นเขาว่ายังไง น, น้ำบ่อหน้าบ่อมีน้านาย เททิ้งหมดเลยกินข้าวเสร็จน้ากินอิ่มเสร็จเททิ้งหมดเลยเขาบอกว่าน้ำข้างหน้ายังมีหน้าในตัวไปฟังเอาแต่คำไปมันว่าน้ำบ่อหน้าบ่อมีหนายมีบ่อแต่ไม่มีน้ำไม่เข้าใจคำว่ามีบ่อน้ำบ่อหน้าบ่อมีหนายตัวไปฟังว่าโอ้น้ำข้างหน้านี่มี เท hey, ทิ้งหมดเดินทางไปก็อดน้ําตายท้ยที่สุดมานั่นอันนี้สเสบียงอาหารถ้าเราไม่ได้ตเตรียมอย่างดีเราไม่เปลี่ยนแปลงทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในทางที่เป็นศิลเป็นธรรมทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไม่เอามาพัฒนาตัวเองหรือไม่เอามาปรับปรุงให้มันเป็นอริยทรัพย์ไปไม่ได้ เราเจาพก็ซับไปกินในภายภาคหน้าไม่ได้ตายแล้วก็คือทิ้งหมดเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งเครื่องห่มทั้งหลายนี่เราทิ้งหมดเลยแม้แต่เขาเอาใส่หีบหรือใส่ปากไปก็สเปรเลอรมันก็งัดเอาหมดเจ้าแห ว, วนเงินทองเขาโยนใส่หีบให้เราไปเผาไฟทิ้งหมดแต่เงินเขาก็เก็บมันมีสเปรเลอร์หัวใสอยู่แถวไหนไทยาบางคนเทียนในแถวนี้ ปีหนึ่งมีคนตายไปเผาที่วัดเขาประมาณห้าร้อยหกร้อยคนแล้วหัวใสขึ้นมาก็เขียนชื่อกรรมการทอดพระป่าบุรณะวิหารกับบุรณะเมนเขียนหลายชื่อกรรมการเอาแต่คนตายนั่นแหละทั้งหมดเขียนติดไว้ที่สลาที่วิหารที่เมนกรรมการทอดพระป่า มันเจ็บเงินปากศพนั้นได้ประมาณแปดหมื่นบาทมีคนตายห้าร้อยกว่าคนห้าหกร้อยคนปีนสุดท้าย ม, ามันมาเป็นกรรมการทอดพระป่าทอดพระป่าที่เดียวได้เงินเกือบล้านบรรลูกหลานเขามาเห็นพ่อแม่ขเขาเป็นกรรมการทอดพระป่าเขาก็เลยช่วยทำบุญได้เกือบล้าน ซ่อมวิหารได้ซ่อมโบสถ์ได้ซ่อมสลาได้ซ่อมเมนได้ทาสีใหม่ทำอะไรตัวอะไรใหม่ได้ทอดพระป่าไปสองครั้งได้เงินล้านกว่าบาทนั่นคนหัวใสเขาคิดทําเอาคนตายแล้วนั่นมาเป็นกรรมการทอดพระป่าไม่เอาคนเป็นแม้แต่คนเดียวมีแก่คนเดียวที่เป็นคนเป็นคือส ะ, ปะเปลือ ดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงโคลคซั์ให้เป็นอริยรัพย์เราต้องเข้าใจวิธีการเปลี่ยนแปลงต้องศึกษาและต้องทำความเข้าใจให้ได้อย่างร่างกายของเรามีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปด้วยได้เหมือนกับเรามาที่นี่เราสังเกตดูสิเราเคยมาเรามาที่นี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาเอาร่างมนุษย์ เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ร่างสัตว์เดรัจฉานเราไปเป็นเป็ดอสุรกายก็ไปเอาที่นั่นยังจะไปสวรรค์หรือไปพรมโลกไปนิพพานอย่างก็ไปเอาร่างกายที่นู่นทั้งหมดมีแต่กิจใจเท่านั้นที่ไป <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันมันกจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น อย่างการรักษาศีลห้าปานาอธินนากาเมมุสาสุลาวิกาลโพนัจจคีมาลาอุจจานัจจคีดิดปีสีเป่าประคมต่างๆมาลาก็คือการตกแต่งร่างกายเพื่ออวดหญิงอวดชายในโลกอุจจาก็คือที่นั่งที่นอน ยัดด้วยนุ่นและสำลีทำไมท่านต้องห้ามข้อนี้เพราะไม่ต้องการที่จะให้เกิดความสุขจากการนอนคนส่วนมากแล้วจะเอาความสุขแต่จากการนอนแต่พนนอนไม่หลับมาดูสินอนไม่หลับนั่นแหละคือตัวมหาทุกข์พอนอนไม่หลับขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเราไปเอาความสุขจากการนอนไม่ใช่เราต้องมาหาความสุขจากความสงบของใจ ถึงด้ว่าภาวนาภาวนาคือหาที่อยู่ของตัวเองให้สบายถ้าเราได้รับความสบายแล้วแบบนี้มันก็จะมีวิธีการจัดการกับตัวเองตัวเองบกพร่องในศีลหรือบกพร่องในสมาธิหรือบกพ้่องในปัญญามันก็จะหาวิธีการจัดการเมื่อเราสบายแล้วทุกวันนี้คนไม่สบายนะคนในโลกนี้ไม่มีความสบายเลยมีจะภัยพิบัตินี่ก็ ก, กาลังตื่นไอ้ไอะไร ตืนในสุริยปาคากันนี่บางตำนักก็บอกว่าจะเกิดภัยพิบัตอิอย่างนู้นอย่างนี้อะไรตอรมีอะไรไปต่างๆนาน า, า, า, า, าคนนี่อยู่ด้วยความระแวงเกิดภัยพิบัติบอกเกิดอะไรตอรมีอะไรหลอกกันอยู่ทั้งปีทั้งชาติสุดท้ายมาเลยหาความสุขไม่ได้เพราะว่าอะไรถึงหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีความมั่นคงทางใจ ตัวเองไม่รู้จักที่อยู่ของตัวเองกลายเป็นคนเล่ล่อนเมื่อกลายเป็นคนเล่ล่อนไม่มีหลักไม่มีแหล่งเขาเรียกว่าสัมพเพวสีสัมพเพวสีที่มันหมดจากธาตุขันอันนี้ไปแล้วนั่นมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่สัมพเพวสีที่ยังมีธาตุขันเป็นคนอยู่นี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งความทุกข์ยากลําบากแตกต่างกันมาก จันถึงว่ารู้จักคำว่าภาวนาคือหาที่อยู่ของตัวเองให้สบายพอเราได้ที่สบายแล้วบัดนี้เราก็มาสังเกตดูเราบกค้องในศีลข้อไหนปานาอธินากาเมมุสาสุลาแล้วก็ละเสียพอเราละโทษห้าอย่างนั้นแล้วโทษแปดอย่างนั้นแล้ว สีเลนะสุขติยันติมีความสุขสีเลนะโพกสัมปทามีโพคะสมบัติขึ้นมาสีเลนิพุติงยันติเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่ความสันติสุขนะน่ะนี้ไอ้ความสันติสุขนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้มันก็ต้องมีเหตุมีผลพอที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ ตามแนวทางของการปฏิบัติของครูบาอาจารย์อย่างหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นที่ทำการสืบมาตั้งแต่ปางก่อนท่านให้ทำส ม, มถะ ก, กรรมฐานท่านไม่ให้ไปพูดเรื่องนอกโลกในส ม, มนถะกรรมฐานก็มีบริกรรมชวนะคือกิจจับอยู่กับคำบริกรรมคาว่าพุโทโธพุโทโธหรือเราเคยทำคำบริกรรมภาวนาอะไรเราก็ทำอันนั้นให้เป็น ตัวอย่างขึ้นมาจงกระทั่งมันเกิดความสงบถึงอัปปนาสมาธิเมื่อถึงอัปปนาสมาธิแล้วเราก็ตั้งเจตนาถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิอันนี้ก็ต้องตั้งนาฬิกาชีวิตของตัวเองขึ้นมาก่อนที่เราจะทําสมาธิพ ORN า, านั้นจะต้องตั้งเจตนาขึ้นมาก่อนแล้วก็มาทําบริกรรมชวนะนั่นก็คือเหมือนกันกับเขา ปลูกต้นไม้ตามข้างทา ง, ทางเราเป็นคนไปเห็นอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเขาปลูกต้นหนึ่งนี่เขาจะตัดต้นไม้มาสี่ห้าต้นมาค้ำไว้พอให้รากมันเดินเองได้พอรากมันเดินเองได้แล้วบวะนี่เขาก็ปล่อยมันไปไม้ค้ำนี่ยมันจะปุ่มจะพังไปก็ช่างหัวมันต้นไม้นะี่มันมีดอกมีใบออกมาแล้วมีกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วก็ปล่อยมันไปเลยไม้ค้ำไม่รู้ไปที่ไหนแล้วบ่ การบริกรรมนั้นก็เหมือนกับไม้ค้ำน่นให้ต้นไม้นั้นมันมาพิงไว้เสียก่อนให้มันตั้งให้มันตรงเสียก่อนให้มันตั้งได้เสียก่อนใจของเราที่มันไม่เคยตั้งเลยนี่ก็เป็นแบบเดียวกันนะ่ฉะนั้นต้องหาคำบริกรรมภาวนามาให้มันตั้งให้ได้เรียกว่าบริกรรมชวนะกิดตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมได้นานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่งว่า ขายคำบริกรรมออกกิจกระตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะกิจหนึ่งท่านเรียกว่าขัไอ้คณิกะสมาธิหรือตั้งมั่นในนอนขึ้นจงกระทั่งว่าเกิดอุคหานิมิตหรือปฏิภาคคณิมิตเมื่อเกิดอุคหานิมิตคือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมันต่ปางก่อดอย่าไปกลัวมันจะเห็นอะไรก็ตาม ถ้าเป็นปฏิภาคคณิมิตก็จะเห็นสังขารร่างกายของเราเมื่อเห็นสังขารร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันเป็นธรรมชาติของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้มาช้านานแล้วเราจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรามีกําลังที่จะดูให้มันเป็นอันนี้จังทุกขั้งนั้นตาก็ดูไปถ้าไม่มีกําลังเราก็ถอยกลับมาหาคําบริกรรมใหม่ไม่ต้องไปรีบร้อน ตั้งแต่เราไม่เคยทำสมาธิภาวนาเลยเราก็ยังอยู่มาได้จนถึงวันนี้ฉะ น, นพอเรามาทำนี้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรเราก็ทำไปทำไปพอกลับมาจับกรรมปริกรรมใหม่พอมันตั้งมั่นขึ้นมาก็ขายออกขายกรรมปริกรรมออกจิตตั้งมั่นอยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นแล้วก็ทะลุจิตลงไปเป็นอั ป, ปนาสมาธิเลยโดยที่ไม่มาสนใจกับ อุคหานิมิตปฏิภาคณิมิตนี่เราจะถึงจะเห็นว่าความสงบของใจเราจะได้เห็นความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกมนุษย์แต่มันมีในหัวใจของเราเมื่อมันเห็นแล้วความสุขอันนี้เกิดจากความสงบรังงับเวรวางไปหมดทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้อันเดียว โลกดินแดนอันนี้ก็เป็นที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมเราจะรู้มันก็ตามไม่รู้มันก็ตามเป็นของที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ไปยึดกับมันเท่านั้นเองโลกทั้งสามนี่เป็นของที่มีอยู่แล้วการมประพบรูปประพบอรูปประพบนี่เป็นของมีอยู่แล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเราไม่ไปยึดกับมันก็ไม่เป็นทุกข์นะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความเยือกเย็น มันจะเกิดอะไรขึ้นมาในระหว่างที่เราทำสมาธิภาวนาอยู่เราพยายามกำหนดความรู้ไว้ถ้าเสียงเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราก็พยายามดูอยู่อย่างเดียวรู้อยู่อย่างเดียวอยู่ในอัปปนาสมาธิชั่วระยะหนึ่งหรือจะตั้งในนอนขึ้นก็าตามขนาดไหนก็ตามแล้วแต่ตามที่เราตั้งเจตนาหรือเราตั้งนาฬิกาชีวิตของเราไว้ พอสุดท้ายมาเราก็ถอยออกมาพิจารณาอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับใจในขณนะที่เราถอยออกมาจากอ ป, ปนาสมาธิเราก็พิจารณาเห็นเป็นอันิจังทุกขังอันัตาเพียงจะ น, นึกมันขาดสะบั้นลงไปเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะมองดูธาตุขันของเราอย่างนี้ก็เห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานับได้ทุกส่วนของร่างกาย เกิดสว่างสวยขึ้นมาน่ยนับผมก็ได้นับข้อมือก็ได้นับกระดูกก็ได้มีกี่ท่อนในร่างกายของเรากระดูกเหล่านี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเปล่ากระดูกเหล่านี้มันมีกิเลสตัณหาหรือเปล่ากิเลสกระดูกเหล่านี้มันมีความรุ่มหลงหรือเปล่ามันมีความรักความชังความเกลียดความโกรธไหมใครเป็นคนไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธ สุดท้ายมามันก็สบายเอา้าอยู่ในการพิจนารณามันพอสมควรแล้วเราก็ถอยกลับมาหาคำบริกรรมอีกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่แค่นี้แหละพระกรรมฐานนั่นครูบาอาจารย์ที่อบรมตัวเองจนกระทั่งว่ากระดูกเป็นแก้วมาแล้วไม่รู้กี่องค์นึงกระทาอยู่แค่นี้เนี่ยอย่างอาจารย์สเสถียรเสถรสุนี้อาจารย์ไหนก็ตามมีจะทําสมถะกรรมฐานนี่แต่งั้น พอกิตมันมีกำลังแล้วถึงมาพิจารณาไม่ใช่มานั่งฝันเอามันเดินฝันเอาอเฉยๆก็ก็ฝันกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เห็นมันได้อะไรถ้าเราไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อใครเชื่อกิเลสตัวเองมันก็พาเป็นทุกข์มาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ฉนันถ้าหากเราทําตามแนวทางของครูบาอาจารย์มันไม่เป็นไรมันไม่มีความหลง คนที่มันหลงอยู่นั้นมันไม่ได้ทำตามแนวทางไม่ได้ทำตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ไปทำแหวกแนวอยากรู้เร็วอยากรู้จริงอยากเห็นจริงเอากิเลสยัดเข้าไปพอกิเลสยัดเข้าไปก็ บ, บ้าทันเช้านี้ก็มาว่านอนไม่หลับก็นอนไม่หลับก็ดีนี่ก็เราอยากฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วจะไปฟุ้งซ่านทำไม วันนี้พอมันหลงแล้ววันนี้มันรู้ที่ไหนว่ามันฟุ้งซ่านไมมฟุ้งซ่านถ้าอยู่ที่วัดนี้จริงๆไม่มีทางที่มันจะมาหลงแบบนั้นอันนี้มันพากันไปตามเดี๋ยวพอนั่นแหละก็ไปที่นู่นไปที่นี่พวกผีไม่มีสารพอไปเรียนมาแล้วบันนี้พอบ้ามาแล้วบันนี้ถึงจะมาแก้มันจะแก้ได้หอเพราะตัวเองเป็นบ้าแล้ว แล้วก็อ้างว่ามาอยู่วัดป่ามณีการมาอยู่อะไรตัวอะไรอ้างอะไรเราไม่เคยได้บอกเลยให้ออกไปพิจารณาข้างนอกให้ไปเห็นข้างนอกเราไม่ได้บอกให้ไปฟุ้งซ่านเลยมีแต่ให้เข้าสู่ความสงบของใจไปอ่านดูที่ตำหลับตำราต่างๆมี